50 languages. t i ที่สนามบิน Hawaii Airport. a r p o r ดิฉันขอจองเที่ยวบินไปเอเธนค่ะ I a n a t h b n s k a flight to a t h นี่เป็นเที่ยวบินที่บินตรงใช่ไหมคะที่เย่ direct flight เฮขอที่นั่งริมหน้าต่างและไม่สูบบุหรี่ค่ะ म มร์ปาณีครับเก้ขดกี่ปั่นจะขาด र े ट ना प ร न े व ाน้ंปิ้นวาลีดิฉันขอยืนยันการจองค่ะแม่ฉันขอตั้ी क करना चाहता ह ूอ ดิฉันขอยกเลิกการจองค่ะไม้จะไม่ไดิฉั น, นการจอบรับแต่ฉันก่ยังต้องूาเที่ยวินไปโรมเที่ยนั่ जाएगा ยังมีที่ว่างอีกสองที่ไหมคะแค่สองี่นั่งางใไมไม่เรามีที่ว่างอีกเพียงหนึ่งที่เท่านั้นคะ่ะไม่ใช่ทางเรามีที่นัีหทเาเราจะไปถึงเมื่อไหร่คะถึงค่ำคืนนีเราจะไปถึงที่ น, นั่นเมื่อไหร่คะ รถบัสไปกลางเมืองออกเมื่อไหร่คะนฉลยจะไปั่งรถบัสเมื่อไหร่คะเป๋าเดินทางขมองคุณใช่ไหรคะเฉลยจะไปนี่งระเป๋ามืขอไหม่คะ นี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะแค่เย่อาบกสัมงานเหดิฉันสามารถนำกระเป๋าเดินทางไปได้เท่าไหร่คะแม้คิดน่าสัมงานเลยจะสักต้าหุ่ยี่สิบกิโลกรัมบิ๊กิโลอะไรนะแค่ยี่สิบกิโลกรัมเองหรือคะ